อภิววทธนสีลิสนิจยังวุธาปจายิโนจัตตาโรโธรรมมาวทาติอายุวันโนสุขังภาลังเพราะวะตูสัพภะมังคลังราขันตูสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะ สถทโสถีภาวนตุเต